การทำบุญทำบุญให้มันเกิดบุญบุญมันเกิดอยู่ในใจถ้าทำบุญแล้วเกิดความเบิกบานร่มเย็นผิดิยนินดีผิตใจร่มเย็ยนเบิกบานผิดยินดีแล้วนั่นอันนั่นเรียกว่าบุญเราแผ่บุญแผ่กุศลนี่นนก็คือแผ่ความรู้สึกในใจที่มีความเบิกบานยิยนดีผ่อนคลาย ปิติยินดีเนี่ยเนี่ยโน้มไปให้ถึงผู้ที่เราต้องการจะส่งบุญไปให้อันนี้เป็นวิธีการส่งวิธีการแผ่ส่วนบุญกุศลไปบุคคลบางคนที่เขาละโลกนี้ไปแล้วเขาไม่สามารถจะมาทำอย่างเราได้เรามีการทำทานในการรักษาศีล มีการเจริญภาวนาเราทำได้มันเกิดความเบิกบานวิจิตในใจเราเขาทำไม่ได้เรายังลําลึกถึงเขาอยู่ก็เน้นอกเนนใจรบแท่บุญบุศ น, น, น, นี้ไปให้ผู้ที่ เ, เกิดในภพอื่นภูมิอื่นนะนะั่นน่ะท่านกล่าวไว้ว่ามันไม่มีความพร้อมไม่มีความสะดวกสบายไม่มีความพร้อมที่จะทำบุญแบบเรานี้ได้ อย่างเป็นเกิดเป็นผู้ที่ไม่มีร่างกายไม่มีวัตถุสิ่งของอยากจะให้ทานอย่างเขาอยากจะเห็นพระเจ้าประสงฆ์พระพุทธดีปฏิบัติชอบอยากจะถวายสิ่งของที่เป็นวัตถุก็ทําไม่ได้และทําไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้เราจึงส่งไปให้เรียกว่าแผลเมตตา ส่งบุญส่งกุศลไปให้อันนี้ท่านกล่าวไว้ว่ารับได้สามารถรับได้อยู่บางจําพวกนะบางจำพวกที่จะอยู่ในภพนั้นภูมินั้นแล้วเขาบริโภคหรือว่าเขาใช้ใช้บุญใช้กุศลอยู่แหละท่านกล่าวว่าเปรตบางจําพวกนั้นนะอาศัยบุญกุศลที่เขาแผ่ไปให้นี่แหละได้บริโภคอันนี้ คือหมายความว่าเด้ใช้สอยได้เอาเป็นประโยชน์จากการที่สองให้ทานแลวแฉ่จนบุญผู้สนไปให้ได้รับอันนี้นฉะนั้นก็พร้อมโซสุรัต ส, สุเลยเงยอ่อนอ่อนเทียอยู่อย่างนั้นถ้าได้รับบุญอย่างนี้ที่เขาแข่ไปให้นะเนี่ยพวกนี้เขาพูดถึงว่ากัด ก, กินบุญนะกินบุญที่มีใครแข่ไปให้เพราะฉะนั้นตรกนี้ก็สามารถรับได้ดังนั้น เราเป็นพุทธบริษัทไม่ประมาถเราก็ไม่มั่นใจว่าบุคคลที่เรานับถือที่เรารู้จักเมื่อเขาผ่านคบนี้ชาตินี้ไปแล้วเขาจะไปเกิดที่ไหนถ้าพะเอลเขาไปเกิดอยู่ตรงนั้นแล้วเราแผ่จนบนไปมันก็เขาก็รับได้ถ้าเป็นประโยชน์แก่เขาอันนี้มีท่านผู้ปฏิบัติธรรมภาวนายืนยันไว้อยู่มันเป็นไว้ได้อยู่ สามารถรับได้เพราะฉะนั้นก็การทำบุญีเป็นประโยชน์แก่เราเองด้วยนั่นแหละทีแรกนะทีแรกเราเกิดความเบิกบันร่มรเย็นใจอันนี้เป็นเราได้ทีแรกหละส่วนที่เราแผ่ไปให้นะถ้าเขาอยู่ในภพในภูมิที่จะรับได้เขาก็มีโอกาสได้รับแต่เขาไม่ไปอยู่ในภพนั้นภูมินั้นเราก็ยังได้อยู่ดีแหละไอ้ส่วนของเราที่ได้เนี่ย ผู้ฉลาดเขาจึงมียอมการทาบุญกันการทําบุญเนะี่ยเป็นการทําให้จิตใจเรามันมีกําลังนะลองสังเกตดูว่าถ้าเราได้ทําบุญทํากุศลแล้วจิตใจเราจะเบิกบานมั่นคงเยือบเย็นเบิกบานไม่มัวหมองไม่ฝุนไม่มัวสากพื้นยินดีเนะี่ยจิตใจที่สากพื้ยินดีนี่เนี่ยมันเป็นจิตใจที่มีความมั่นคงมันก็อยู่สบาย คนที่มีจิตใจเช้่มแข็งก็อยู่สบา ย, ยาเชื่อมั่นไม่โลเลอันนี้เกิดจาก บ, บุญนู้นกันนะอย่างเราทำทานนี่เข้าไปสู่สถานที่ไหนจะเกิดความมั่นใจไม่จะตกสะทานโดยความมั่นอกมั่นใจไม่จะตกสะทานเบิดบานยินดีในบุญอันนี้เรียกว่ามันเป็นส่วนที่สะสมพวกเราเป็นความดีความดีอันนี้สะสมอยู่ในใจดี เราไปอยู่ไหนมันก็เกิดความเบิกบานคนที่มีทานบา ร, รมีมากๆเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็อยากจะทําบุญทําทานไปอยู่ต่างประเทศบางคนนี่ก็เนื้อร่ำร่ำอยากจะใส่บาพระเจ้าพระสงฆ์เพราะว่าเจ้าของเคยได้ทําเคยได้ใส่พอไปอยู่ในที่อื่นๆก็อยากจะใส่บาตรอันนี้เรียกว่าทานบา ร, รมีเยอะคําว่าบา ร, รมีชื่อศพ การสะสมความดีสะสมความดีประเภทให้ทานเนี่ยเป็นการสะสมความเฉลียวฉลาดอย่างหนึ่งคนเราถ้าได้ให้เขาแล้วก็ส่วนมากเขาจะเสียดายแต่ถ้าผูท้ที่มีทานบา ร, รมีมีความดีในด้านการให้ทานสะสมอยู่แล้วมันจะเกิดความเบิกบานว่าได้ช่วยเหลือคือเราเกิดมานี่เราก็ได้ช่วยเหลือ ผู้นั้นผู้นี้ได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ช่วยเหลือพระศาสนาเราก็ยินดีปรีดาโอกาสที่จะได้ช่วยได้ทำแบบเรานี้ก็ไม่มีหรอกคนอื่นๆเท่าที่เหนียวอยู่เขาก็มองไม่เห็นประโยชน์แต่เรามองเห็นแล้วประโยชน์แล้วเราทำทานแล้วจิตใจเราเบิกบานมันเป็นบุญเรารู้จักอันนี้เรียกว่าคนฉลาดแล้วถ้าคนไม่ฉลาดเขาก็ยังไม่เป็นบุญแหละใครจะจำเป็นต้องให้ทานก็จะให้เพื่อนเพื่อนเขาจะไม่ให้ ไปเขาเขาหรือนม่ร่วมมือร่วมใจอย่างนั้นก่อนผัดข้องเดือดร้อนหับทลายน้อยหน้าเขาอย่างนี้ น, ะนั่นจะียกว่าบุตรบารมียังไม่มากแต่บา ร, รมีมากถึงแล้วขอให้ได้สมบูรณ์าำลังดีใจเนี่ยเบิกบานอันนี้เอาความเบิกบานจากที่คนอื่นเพราะว่าเศ้าเสียดายเนี่ยเราสามารถเอาความเบิกบานเข้าประโยชน์ได้อันนี้เลยว่ามีปัญญา